คือฉันเนี่ยเป็นนางตะเคียนเจ้าค่ะฉันมีวิมานแปะอยู่ที่ต้นตะเคียนเวลานี้หลวงพ่อจะสร้างเขื่อนก็ไปคนต้นตะเคียนฉันก็ไม่มีที่อยู่ที่ไปหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าต้นไม้ในวัดมีเยอะหาอยู่สักต้นสิเธอก็ตอบว่าต้นไม้ที่มีแก่นในวัดนี้ไม่มีที่ว่างเลยเจ้าค่ะวิมานรุขขเทวดาเต็มไปหมดรุขขาเทวดารุกขานางฟ้าก็คือเทวดาต้นไม้นางฟ้าต้านไม้เต็ไมไปหมดฉันไม่มีที่อยู่เจ้าค่ะ